องหญิงและถั่วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรที่ทรงพลังแห่งหนึ่งราชนีของที่นั่นจะได้ทุกอย่างที่นางต้องการเสมอและนางหวงองชายของอาณาจักรที่เป็นโอรสคนเดียวของนางมากเธอเลี้ยงองชายด้วยทุกอย่างอย่างดีชุดที่ดีที่สุดอาหารขั้นสูงราคาแพงอาจารย์ที่ดีที่สุดที่จะจ้างได้และอีกมากมายเมื่อเจ้าชายโตเป็นหนุ่มและได้เวลาจะแต่งงาน ราชินีก็เรียกเขาไปที่ห้องเจ้าชาจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงแต่เจ้าชาจะต้องตามหาเจ้าหญิงของตัวเองจําเอาไว้นะในการเลือกเจ้าสาวของเจ้าอย่ามองแค่ใบหน้าที่สวยงามเท่านั้นองคหญิงจะต้องไม่ใช่แค่ธิดาของราชาและราชินีเท่านั้นนางจะต้องละเอียดอ่อนมีความฉลาดเฉลียวและมีสง่าราศีและแต่งตัวดีด้วยที่สําคัญคือจะต้องมีศักดิ์ศร<อ>ีมีเกยียรติของตัวเองที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือ สิ่งแรกที่เจ้าจะต้องมองในตัวเจ้าหญิงก็คื อ, อเจ้าหญิงที่แท้จริงนั้นจะต้องมีเสียงราวกับนางฟ้าองค์ชายยอมฟังราชินีและราชินีอนุญาตให้เขาออกเดินทางไปตามหาเจ้าสาวของเขาเองเจ้าชายกับบ่าวของเขาเดินทางหลายวันไปอาณาจักรที่ใกล้ที่สุดเขาไปหาราชาที่นั่นและแนะนําตัวเองราชาพอใจมากกับองค์ชายเพราะว่าเขาเหล่อและมีมารยาท ราชาพาเขาไปหาธิดาที่ยังไม่แต่งงานองค์ชายพอใจมากที่ได้เห็นโฉมหน้าแสนงามของเจ้าหญิงในห้องของนางเธอกำลังเรียนก่อนและแต่งตัวดีด้วยสวัสดีองค์หญิงเออสวัสดีเจ้าชายตกใจมากเพราะว่าเจ้าหญิงเป็นคนเสียงแหกเจ้าไม่เป็นไรนะให้ข้าเอาน้ำให้ไหมไม่ไม่ไม่ข้าไม่หิวออตกลงงั้นอ่านกรอนก่อนนะ ข้าต้องไปแล้วแต่ว่ายินดีมากที่ได้เจอเจ้าดีใจมากๆเลยองค์ชายผิดหวังอยู่สักพักแต่ก็เดินทางไปอาณาจักรใกล้ๆต่อไปเขาเข้าไปในวังและแนะนำตัวให้กับราชากับราชินีรูจ้จักทั้งสองคนพอใจกับเสน่ห์ขององชายมากทั้งสองคนรีบพาองค์ชายไปหาองหญิงทันทีองชายเข้าไปในห้องขององหญิงเขาเห็นองหญิงแสนสวยที่นั่งอยู่โต๊ะทำงาน เธอกำลังกินอาหารองค์ชายทักทายเธอแต่เธอไม่มองมาที่องค์ชายด้วยซ้ําเธอมัวแต่วุ่นกับการกินอาหารของเธออย่างตะการองหญิงเจ้ากําลังยุ่งอยู่สินะงั้นข้าจะทิ้นเจ้าเอาไว้กับอาหารโปรดของเจ้าองค์ชายออกไปจากอนณาจักรหลังจากเดินทางหลายวันและไปมาหลายที่องค์ชายก็ยังหาเจ้าสาวที่คู่ควรไม่ได้สักทีเขาผิดหวังมากและกลับอาณาจักรไปพ่อแม่ของเขาทักทายเขา เขาเลเล่าเรื่องการเดินทางอย่างละเอียดให้ฟังโอ้น่าเศร้ามากแต่แม่ดีใจมากที่ลูกไม่ได้เลือกผู้หญิงพวกนั้นกลับมาให้แม่นะมั่นใจว่าถ้าลูกเป็นสามีของพวกนางลูกจะได้เสียใจทีหลังแน่นอนองคชายเห็นด้วยและกลับเข้าห้องไปคืนนั้นมีพยายาุสายฟ้าองชายมา อ, อกไปที่หน้าต่างจากห้องของเขาเขาเห็นใครบางคนเดินเข้ามาในวงัง ตอนนั้นมีเสียงเคาประตูคนใช้ของวังก็เลยเปิดประตูตอนนั้นเขาได้เห็นผู้หญิงแสนสวยยืนอยู่ข้างนอกเธอแต่งตัวมิดชิดและเปียกฝนอย่างมากองค์ชายเดินลงมาเมื่อได้ยินเสียงหวานๆของนานคนเ ม, อมอ่อขมชฉันหลงทางเพราะพายุฝนหม่องฉันเดินตามแสงของวังท่านมาเลี้ยโปรดให้ที่พักหม่องฉันสักคืนนะเพคะแน่นอนเจ้าอยู่ได้สบายเลยให้ข้าถอดผ้าคลุมให้นะ องชายต้อนรับนางเข้าวังตอนที่เขาเอาผ้าคลุมของนางออกมาเขาคิดทันทีว่านางเป็นหญิงที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นเขาบอกให้คนใช้ดูแลผู้หญิงคนนั้นดีๆและรีบวิ่งไปหาราชินีเพื่อไปบอกให้นางรู้ราชินีเดินออกมาและไม่ชอบเมื่อได้เห็นหญิงคนนั้นนางไม่ใช่จูหญิงนะลูกดูเสื้อผ้าเลื่อนคนสกรปรกสกรปรกนี่สินางไม่มีบ่าวรับใช้ แล้วทำไมเจ้าหญิงจะต้องเดินทางฝ่าฝนหนักๆด้วยละ่ะแต่ท่านแม่ข้าไม่เคยเห็นหญิงสวยคนไหนเดินได้สง่าแบบนี้มาก่อนเลยราชินีรู้ทันทีว่าองค์ชายตกหลุมรักเข้าแล้วราชินีเลยวางแผนกำจัดนางพิสูจน์ว่านางไม่ใช่องค์หญิงอมแม่จะทดสอบนางเองคืนนี้เราจะให้นางได้นอนเตียงหรูหร่ะ และใต้ผ้าห่มหรูหราสิบชั้นนั้นแม่จะเอาถั่วดิบไปวางไว้ท่านนางเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงนางจะละเอียดอ่อนพอที่จะรู้สึกว่ามีถั่วอยู่อง์ชายเชื่อในแม่ของเขาราชินีสั่งให้คนใช้เอาถั่วไปไว้ใต้เตียงของหญิงคนนั้นองค์ชายพานางเข้ามาในห้องและตรงนั้นมีบันไดเตรียมส่งให้นางปีนขึ้นเตียงนอน นางนอนไม่หลับทั้งคืน <S <S 1> <S 1> และตอนเช้านางก็ตื่นขึ้นมาและเรียกบ่าวใช้ของเจ้าชาย อ, อ้ข้าเหนื่อยมากเลยอย่าไปบอกเจ้าชายนะแต่มันเป็นเตียงที่แย่มากมันเหมือนกับข้างในมีก้อนหินอยู่ใต้ผ้าห่มถ้านอนไม่หลับทั้งคืนเลยเจ้าชายได้ยินเรื่องการบ่นของนางเขารีบมาหานางเจ้าคือองคหญิงที่แท้จริงใช่ไหม งั้นได้โปรดแต่งงกับข้าเถอะหม่อมฉันสมรสกับท่านได้ถ้าหม่อมฉันไม่ต้องนอนบนเตียงนี้อีกและองค์ชายกับองค์หญิงก็สมรสกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป